เขายากจนสาเหตุของความยากจนมีอะไรป้าแล้วคนพวกหนึ่งอาจจะยากจนเพราะเกียดค้านหนักไม่ออกเบาไม่สู้หนักไม่เอาเบาไม่สู้ <c oughs> อ, สอย่างที่ในหนังสืออะไรจดหมายถึงนายเขาบอกว่าคนไทยส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนัหนักไม่ออกเบาไม่สู้ แจะปะัญหาปหัญหาเรื่องความยากจนพอคนพวกหนึ่งยากจนเพราเกียรครานมันก็มันก็ต้องแก้ด้วยความเพียรตัวทําอย่างไรให้เขาขยันขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าเขายากจนเพราะเขาเกียรครานเกียดครานทํางาน จะทำอย่างไรให้ขยันขึ้นให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่น่าเห็นดูให้น่าเอ็นดูให้มีคนเขาอยากใช้ <c oughs> ให้มีคนเขาอยากใช้ถ้าไม่มีใครเขาใช้ก็ใช้ตัวเองหัดใช้ตัวเองมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เพราะผู้ใหญ่สอนในเด็กใช้ตัวเองไม่ต้องคอยให้ผู้ใหญ่ใช้ ผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกันเคยมีได้ยินอคนบ่นแม้ในวัดก็มีพระบ่เราไม่มีใครใช้เราไม่รู้จะทําอะไรเพ้าว่าไม่มีใครใช้ถ้าผมได้ยินอย่างนี้ผมก็จะตอบไปทันทีว่าอ่ขอให้ใช้ตัวเองถ้าไม่มีใครใช้ขอให้ใช้ตัวเอง ถ้าเราสำรวจว่ามีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่อันนั้นไปให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วคนเขาก็เห็นคุณค่าคนเห็นประโยชน์เขาก็จะเรียกใช้จนทํากันไม่ไหวคนนั้นก็จะให้ทําคนนี้ก็จะให้ทําคนโน้นก็จะให้ทําต่ทากันไม่ไหวต้องปฏิเสธงานมากมายแต่ทำไม่ไหว กาคนเขาไว้ใจเราก็เห็นที่ว่าเราใช้ตัวเองมาก่อนว่าให้ใช้ตัวเองมาก่อนให้จนเป็นผู้ชํานาญเป็นผู้ที่รู้งานงานมันสอนคนนะครับงานมันสอนคนเป็นผู้รู้งานเป็นผู้ทํางานเแล้วคนพวกหนึ่งอยากจนเพราะการบรร น, นันเราต้องแก้ให้เลิกการบรรนานเสีย ต้องแก้แล้วใครแก้ก็ไม่ดีเท่ากับตัวของตัวแก้ตัวเองต้องแก้ตัวเองกครมาแก้ก็มันไม่เหมือนกับตัวเองรู้สึกว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องแล้วก็แก้ตัวเองก็คนอื่นเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลารา่ตัวเราเองอยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องเตือนตัวด้วยตัวเองให้เลิกให้เลิกกนนารพนันเสีย ก็ไม่มีใครเคยได้ดีเพราะการบั น, นันมันมีแต่มันมีแต่ช่วยกันย่อยยับช่วยกันพากันย่อยยับโวยการพ น, นันก็มีคนหนึ่ง <c oughs> มีคนหนึ่งเล่นการันดันรัพย์สินสมบัติขายหมดของลูกของเมียขายหมดไรนาขายหมดแล้ววันหนึ่งลูกชายก็อยากจะสอนพ่อก็จูงข่ายเข้าไหา้เอาไห้ไปตั้งเราไห้เล่าเนี่ย เอาไปไปสร้งการละจูงควายไล่ควายเข้าไปพ่อก็ยืนดูอยูอ่ไอ้นี่มันบ้ า, า ย, ยัางไงมันบ้าเอาจูงควายเข้าไปแล้วควายตัวไปเริ่มใหม่นิดเดียวจมจูงควายก็ไปเข้าไปได้อย่างไรแต่ก็บอกว่าพ่อครับหน้ามันหน้าเนี่ยมันมันใหญ่โตแปลงมันใหญ่โตพ่อยังเอาไปเข้ารูโปได้แะก็เล่นโปกันนะเล่นเล่นลูโปได้ ทำไมทำไมไหปา่หาไหมันกว้างไวรูปโป อ, อีกทำไมควายมันจะข้างไม่ได้นั่นพ่อจึงได้ความรู้สึกาที่ลูกพูดนั้นถูกต้องนาสวนนั่นแหละมันใหญ่กว่าควายทั้งเยอะมันเข้าไปในรูปโปได้รูลเล็กนิดเดียวแพ้การพนั น, นอะไรปเมื่อวานนี้ก็มาจบลงที่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับความยากจนฤฤฤคนบางพวกอาจจะยากจนเพราะเกียรตคร้านอันนี้เราก็ก็ต้องเพิ่มเติมให้เขามีความเพียรทำให้เขาเห็นโทษของความเกตคร้านแล้วก็ให้เห็นคุณของความเพียร ให้เขาขยันขึ้นว่ให้เห็นว่าความเดียดร้นเป็นโจนรรุนเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ <c oughs> แล้วก็ค่อยทําค่อยไปอันนี้ก็ได้พูดมาแล้วเมื่อวานนี่นะครับนี่คนบางพวกเขาอาจจะยากจนเพราะว่าเล่นการพ น, นัน อันนี้บางทีมก็เป็นสหสัมพันธ์กันจะเป็นสหพันธ์กันเพราะว่าขี้เกียจเผื่อจึงอยากจะหางเงินโดยวิธีไม่ต้องเหนื่อยมากคือเล่นการพ น, นัน <c oughs> แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนก็เล่นการพ น, นันเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าหามรุงหามค่ำหามรุงหามคำ่มมคำ <c oughs> ในคนที่จะเลิกการพนันเนี่ยมันก็ต้องเห็นโทษของการพนันคนเราไม่ว่าจะเลิกอะไรครับถ้าจะเลิกสิ่งนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆให้เห็นโทษของสิ่งนั้นโทษของการพนันก็มีหลายอย่างเช่นว่าเราต้องเสียทรัพย์ต้องก่อเวี้ดที่พรเจ้าทัดทรงแสดงเอาไว้ว่าผู้ชนะก่อเวี ผู้ที่แพ้ก็เสียสับเสียดายทัพย์ที่เสียไปในที่ว่าผู้ชนะยอ่อมขอเวียนหรือประสบเวีนนี่ก็เพราะว่าอาด้วยเหตุผลสองประการ <c oughs> ประการที่หนึ่งก็คือผู้แพ้ไม่ยอมเลิก เ, เขาอยากจะเอาชนะกระชวนเล่นด้วยไปบางทีว่าจะเลิกแล้วชนะแล้วจะเลิกแต่ผู้แพ้ไม่ยอมให้เลิก ถ้ายิ่งมีพักพวกมากก็ขู่เขาด้วยตะเคอะเขาด้วยว่าต้องเล่นต่อไปถ้ายิ่งในบอนการพ น, นันนี่ ก, <c oughs> นก็นักเลงเยอะนักเลงเยอะยิ่งถ้าพวกนั้นเป็นคนหัว๋อมไม้เป็นพวกนักเลงด้วยมันก็ขู่เอาด้วยแย่งเอาทรัพที่ชนะไปได้ซะเลยอันนี้เรียกว่าก่อเว <c oughs> ็เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผู้แพ้จะได้ทรับ ที่เสียไปแล้วก็ประกันที่สามก็เสื่อมทรัพย์ทันตายเห็นอย่างที่พูดแล้วาเมื่อคืนนี้ว่ามีเรื่องสวนไร่นาะมีทองหยองมีทรัพย์สินเงินทองอะไรของตัวของลูกของเมียเอาไปเล่นหมดผีการพนันนี่มันแรงแรงมาก ก็มีคนวายวอดมากับการพ น, นันเยอะแล้วโดยที่สุดไม่ต้องพ น, นันคืนหรอกพ น, นันบอลพ น, นันฟุตบอลมันก็มีเด็กเกือบแย่ไปแล้วเด็กในมหาวิทยาลัยบางคนมันก็เกือบจะถูกพวกนักเลงยิงไปแล้วแล้วก็เอ็ดที่ไปแพ้บอลทำนองนี้ก็มีนะครับ มันเสื่อมทรัพย์ท่านตายเห็นเราจะต้องใช้เขาทั้งสองแสนสามแสนเราเป็นไปแพ้การพนันบนอลพนันนาไปก็ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับมันเยอะเหลือเกินเรื่องโทษของการพนันหรือว่าไอ้พวกนี้แล้วก็ข้อต่อมาก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคับผมจะบิดพิ้วอยู่เรื่อย มักจะบิดคริวอยู่เรื่อยไม่มีใครเชื่อถือถ้อยกคำก็เป็นที่ดูมินของคนทั้งหลายท้าเล่นการพนันจนติดการพนันแล้วก็ถูกดูมิดแน่นอนไม่มีใครไม่มีใครยกย่องหรอกอันนี้ก็ข้อสุดท้ายท่านว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยจะท้าเลี่ยงได้เขาเป็นเลี่ยง นอกจากว่าจะชอบด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็จุงมือกันไปสู่หายันนาะชอบด้วยกันทั้งสองคนก็จูงมือกันไปสู่หายันนาะอันนี้ก็เคยเห็นมาเหมือนกันว่า <c oughs> <c oughs> ทำท้าจะตั้งตัวได้แล้วแต่ทีนี้ไปดิดการพันนันพอใจในการพันนันไม่มีใครห้ามใครเพราะว่าชอบด้วยกันทั้งสองคน ในที่สุดก็ลบก็ <c oughs> ตั้งตั้งตัวไม่ติดเราะฉนั้นเมื่ อ, อมันพิจารณาถึงโทษของการพ น, นันก็เลิกเลิกเสียถ้าเราจนเพราะการพ น, นันขาเลิกการพ น, นันเสียก็ตั้งหน้าทามาหากินโดยสุจริตได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็มันไม่มี รูรั่วไม่มีรูรั่วมันได้มามันก็เป็นนั้นได้มา <c oughs> อออย่างวัดบางวัดนี่ครับมีงานวัดเ้าก็ให้เขาตั้งบอนการพนันในวัดเพื่อจะได้ก็ <c oughs> จะได้เงินจากการพนันแล้วก็บางทีเขามีดนตรีใหญ่ๆโตๆราคาแพงๆให้เงินที่ชาวบ้านออกมาบริจาคทําบุญ ก็ต้องเอาไปให้มรศรบเสียมากมายาเกินไม่เกินครึ่งเกินครึ่งของรายใจมันคุ้มกันที่ไหนครับมันไม่คุ้ม <c oughs> แล้วก็มันเสียบรรยากาศด้วยสมมติว่าจะได้มาสัก4 0 0 0มื่นเพราะมีมรศพมากมาย ล้วก็มีการพนันด้วยเราก็ต้องไปเสียกับสิ่งเหล่านี้วัดก็ต้องไปเสียให้กับสิ่งเหล่านี้ลราก็ก็คลึกโครมไปหมดมงานวัดนี้กับกับการที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็มีกันอย่างเงียบเงียบสงบสงบเป็นงานบุญเป็นงานสงบได้เงินมาสักหมื่นห้าก็ยังดี ถ้ว่าเป็นเงินที่บริสุทธิ์ผุดพองได้เท่านั้นก็เท่านั้นดีกว่าดีกว่าทั้งเยอะ <c oughs> บางคนก็บอกว่ามันเป็นทางที่จะจูงคนเข้าวัดถ้ถามว่าจูงเขามาทำอะไรจูงคนเข้าวัดจูงเขามาทำอะไรถ้าเข้ามาเล่นการพ น, นันเข้ามา ดูมหารศจบที่กระทึกครึกโครมทำให้ทำให้เสียบรรยากาศของวัดไปหมดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีก็ได้แับหนองนี้นะครับ <c oughs> นี่เรื่องเรื่องการพนนันเพราะว่ามันสิ่งที่คนติดมันต้องมีสเสน่ห์ มันต้องมีสเสน่ห์ของมันโดยทำให้คนติดตเหมือนเหล้าเหล้าบุรีคนก็ติดมันถ้ามันไม่มีสเสน่ห์ไม่มีรสที่เป็นสเสน่ห์ของมันคนก็ไม่ติดแต่ว่าไอ้รสที่เป็นสเสน่ห์ของมันนั่นแหละคือตัวตัวร้ายตัวที่จะทำร้ายคนเอาละครับก็ผ่านไป ผ่านไปอันนี้คนบางพวกยากจนพระกินเหล้ามักินเหลา้าก็ก็ทางเดียวที่จะทําได้ก็คือเลิกกินเหลา้าแต่ว่าพูดง่ายแต่ว่าทํำยากแต่ว่าที่จริงก็ทําไม่ยากะถ้าใจแข็งซะหน่อยก็ทำไม่ยากอพิจารณาโทษมันบ่อยๆพิจารณาโทษของมันบ่อยๆโทษมันบ่อยๆ ที่มองเห็นชัดเจนก็คือว่าเสียทรัพย์เสียทรัพย์โดยโดยไม่จำเป็นต้องเสียเสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องเสียเสียทรัพ ย, ย, ย์ว่าบางคนนี่ซื้อเหล้ากินได้ทุกวันราคาแพงแพงด้วยไม่รู้ควแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าทรับว่าราคาแพงมันก็ขึ้นราคากันไปเรื่อย แต่ว่าเวลาลูกไปขอซื้อขนมขอเสตังซื้อขนมไม่มีไม่มีให้ลูกไปขอเสตังซื้อเสื้อผ้าไปใช้ในโรงเรียนใช้เครื่องเขียนอขอเสตังไปซื้อเครื่องเขียนซื้อนังเสืออะไรไม่มีไม่มีตวาดลั่นให้ไปขอแม่แต่ว่าซ <c oughs> ื้อเล่ากินได้ทุกนันไม่เสียได้ ยิ่งเมายิ่งเมาก็ยิ่งยิ่งซื้อยิ่งไม่เสียดายเนี่เสียทรัพย์เสียทรัพย์โดยไม่จําเป็นแล้วก็ <c oughs> นอกจากเสียทรัพย์โดยไม่จําเป็นแล้วมันก่อการทะเลาะวิวาสมีเยอะไปเขาก็เห็นเห็นกันอยู่คนเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาสกันง่ายแต่ถ้าไม่เมาก็ยังพออดใจได้ไม่ทะเลาะ พอเมาเข้าแล้วก็อา่างการมันเกิดมากขึ้นอางการในตัวทิติมานะตัวอัตมิมานะตัวเราเราต้องต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องใหญ่โตตรงนี้ใครใหญ่โตไม่ได้เราต้องใหญ่โตมันเมาเข้าแล้วก็ยิ่งใหญ่โตก็ต <c oughs> ่างคนต่างเมาต่างคนต่างก็ใหญ่โตมันก็ตีกัน <c oughs> อย่างงานวัดอก็มีงานวัดงานงานต่างจังหวัดเช่นว่าทางพักใต้งานชักพระงานจักพระออกกัญสาเนี่แหละครับชักพระบกมัง่งจักพระน้ํามัง่งคนตีกันทุกทุกครั้งตีกันตกน้ําทุกครั้งอ่ะหละชักจักพระก็ก็คือว่าเหมือนการที่กรุงเทพเขาทำํำเทโวโรฮานะ ออกพัโโรนะจาก็ทำบุญเทโวโรหันะจะบุญเทวโอตักบัตรเทโวโอพระพุทธเจ้ากับใครต่อใครก็ลงมาจากชั้นดาวดึงทําเป็นอย่างนั้นประเพณีอัน้น <c oughs> แล้วก็เมาแล้วก็เมาคนพวกนักเลงพวกอะไรไจําบ้านหมู่บ้านก็เมาพวกนมนมมันก็เมาคนแก่นีก็เมาเมาแล้วก็ตีกัน ตกน้ำตีกันในเรือพระนั่นแหละตกน้ำผมปแผมปแมปมแปมไปตีกันคนละทีต้องจำไว้เพราะเคยเคย อ, อาฆาตกันไว้เมื่อไหร่เคยพยาบาทกันไว้เมื่อไหรต้องมาตีกันวันนั้นจะ ต, ต้องเมาเสียก่อนถ้าไห้เมามันก็ตีไม่คล่องให้ตีไม่ลงอย่างนี้ทะเลาะวิวาท ก่อการทะเลาะวิวาทในกรุงเทพนี่ก็เยอะเด่นเนกันอยู่มาขอการทะเลาะวิวาทถ้าเกิดโรคสารพัดโรคหากินไปกินไปมีโรคตับปังโรคกระเพาะปังโรค ล, ลำไส้ปังโรคออะไรอะ่ะไ อ, ไอ ต, ติดสุราเนี่ย โรคติดสุรามือสั่นไม่ได้กินแล้วก็มือสั่นทําอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ตายไปกับโรคมันที่ก็ตายไปกับโรคนะก็ยังก็ยังไม่เลิกก็มีคนไปผู้คนที่หวังดีไปตักเตือนบอกว่ากินมากเดียวตายก็บอกเขาอยากตายอยู่แล้ว ว่าว่าเขาไปยังไงันี่จริงก็คืออยากกินเหล้านั่นแหละไม่ใช่ว่าอยากตายอะไรแต่วันอดไม่ได้อือดไม่ได้เกิดโรคโรคตับแข็งไปเยอะแล้วแต่ว่าคนที่เป็นโรคตับแข็งไม่ว่าไม่ว่าจําเป็นไม่จําเป็นไม่จะต้องอกินสุลาทุกคนนะครับมันเป็นโรคอื่นก็ได้เกิดจากโรคอื่นก็ได้แล้วก็ อถูกตีเตียนถูกติดเตียน <c oughs> ถูกตดเตียนก็เพราะว่าไปแบบสิ่งที่น่าติเตียนเช่นะนว่าไม่รู้จักอายอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของโทษกองสุราคือไม่รู้จักอายเคยละอายในสิ่งนี้ก็ไม่ละอายจะทาได้สิ่งที่เคยละอายทาไม่ได้พอเมาเข้าก็ทำได้ ไม่รู้จักอายหรือไมไม่รู้จักอายนอนกลางถนนก็ได้บางคนก็บอกว่านอนกับหมาก็สนุกนอนกับหมามาก็ไปเลียปากกลางถนนข้างถนนแล้วก็ถูกตีเตียนแต่ที่สําคัญประการหนึ่งก็คือทอนกําลังสติปัญญา ทอนกำลังสติปัญญา <c oughs> แล้วบางคนกขบอกว่าต้องกินเหล้าถึงจะทำงานได้ไม่กินทำไม่ได้ไม่กินเหล้าแล้วมันไม่มีสติปัญญาต้องกินเหล้าอันนี้ไม่จริงหรอกครับ <c oughs> มันค่อยทอนสติปัญญาลงเรื่อยเหมือนม้าเนี่ยท่านลงนึกดูว่ามา้าที่มันล้าแล้วลาแล้วมันมันวิ่ง มันวิ่งไปเพราะถูกแส่วิ่งไปเพราะออาแซ่หวดมันมันก็กระโดดกระโจนไปพักหนึ่งพอมันเจ็บมันโดนแซ่ครับสักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็อ่อนเพลียลงอีกอ่อนเพลียลงอีกก็หดมันลงไปอีกมันก็วิ่งไปได้อีกน้อยหนึ่ง <c oughs> ในที่สุดมันก็ต้องล้มลงตายขาดใจตายฉันคนดีคิดว่า อดื่มเหล้าแล้วทำให้สติปัญญาพรุนโปรงอย่างนักเขียนบางคนดีไม่กินเหล้าเขียนไม่ได้ต้องกินเหล้าลเพราะงั้นต้องอาศัยเหล้าเขียนไปเรื่อยก็ไม่เท่าไหร่ก็ตายไม่เท่าไหร่ก็เขียนไม่ได้เพราะว่าสติปัญญามันมันจะหมดอยู่แล้วมันจะหมดอยู่แล้วมันจะมอดอยู่แล้วก็ใช้เหล้ากระตุ้นขึ้นไปมันไม่ได้เกิดเองโดยธรรมชาติไม่เหมือนคนที่เขาไม่ดื่ม ทํางานโดยธรรมาชาติบริสุทธิ์ตัวหนังสือทุกตัวออกมาด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกระตุ้นเลยไม่มีบุรีไม่มีสุราไม่มียาชนิดใดชนิดหนึ่งมากระตุ้นเลยจะเป็นสติปัญญาบริสุทธิ์อแท้ๆมันก็ออกมาบริสุทธิ์ออกมาดี เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่คิดว่าจะดื่มสุราเพื่อทํางานอย่างนี้อย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นคับอย่าไปหวังพึ่งอสุราเพื่อการทํางานให้ทํางานด้วยเรี่ยวแรงที่บริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญก็คือว่า าเศรษฐกิจตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอยู่มันก็เสียทรัพย์ไปโดยใช่เหตุแล้วก็พอตกอกอการทะเลาะวีวาทกันถ้าถึงกับตีดันฟันแทงแล้วมันก็ยิ่งเสียทรัพย์มากขึ้นถ้าเกิดโรคมันก็ต้องเสียทรัพย์อีกเกิดโจมต้องเสียทรัพย์อีกทอนสติกําลังปัญญาทอนกําลังสติปัญญามันต้องเสียทรัพย์อีกก็เป็นเรื่องที่จะต้องเสียสทรัพย์ทั้งนั้น อันเนี้ยครับถ้าเผื่ออย่างไรคนที่คนที่จนเรากินเหล้าเพราะสุราก็ต้องพยายามงดให้ได้เว้นในได้มันไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้กินมาแต่เกิด <c oughs> มาหัดเอาภายหลังมาทำเอาภายหลังคราวนี้คนบางพวกก็ยากจนเพราะไม่มีงานทำ ไม่มีงานทำตกงานทำอย่างไรดี <c oughs> ทำอย่างไรดีก็ต้องหางานทำพยายามหางานทำให้ได้ อ, อันนี้ก็มันมีเหตุปัจจัยหรือมีตัวประกอบมากสำหรับคนที่ยากจนเพราะไม่มีงานทำ อ, อันนี้ต้องช่วยกันไหลไหลฝ่ายทั้งตัวเอง แล้วก็ญาติาพี่นอ้องก็ผู้ปกครองบ้านเมืองอผู้นำสังคมต้องช่วยกันหลายฝ่ายว่าเราทำอย่างไรทำอย่างไรถึงจะให้คนมีงานทำ <c oughs> มีงานทำให้เขาพอเลี้ยงตัวได้ให้เขาพอเป็นอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้อนแต่ว่าถึงอย่างไรก็พยายามพยายามให้เขาเป็นอบายามุกต่กอดบางคนแม้จะไม่มีงานทำแต่ว่าถ้าไม่ไปฝากฝ่อยาบยมุกก็ไปอาศัยคนอื่นอยู่ชั่วคราวแต่ว่าอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพชั่วคราวแต่ก็ทำงานให้เขาให้คุ้มกันให้คุ้มกันกับที่อาศัยเขา เป็นการชั่วคราวถ้าเป็นคนดีเป็นคนดีจริงเป็นคนขยันจริงเป็นคนมีคุณธรรมจริงเป็นคนมีคุณสมบัติน่าช่วยเหลือน่าเอ็นดูน่ารักไม่เป็นไรหรอกครับตกไม่นานตกไม่นานไม่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เท่าไหรก่รก็จะได้อันนี้ก็ผมก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเวอร์ที่จะ ช่วยใครที่ตกงานให้ทำงานได้แต่ว่าคิดว่าสังคมก็ควรจะดูแหลหรือช่วยเหลือกัน <c oughs> ว่าเราควรจะท ำ, ทำอย่างไรให้เขาพออยู่ได้ <c oughs> เ, เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องความยากจนโดยคนพวกหนึ่งคนดังพวกยากจนเพราะการานัน บางพวกยากจนเขากินเหล้าแล้วบางพวกยากจนเพราะไม่มีงานทํา <c oughs> นี่ก็ผมได้พูดรายละเอียดไปพอสมควรแล้วนะครับเป็นความรับผิดชอบคงจะต้องเป็นความรับผิดชอบของสังคมส่วนรวมทั้งหมดเพื่อจะไป โทษรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ได้จะโยนให้ความเป็นความผิดของประชาชนทั้งหมดก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอาจะว่าครึง่งต่อครึ่งหรือ5นะ้าสิบห้าสิบก็ได้ <c oughs> ก็คงจะได้เรามีวิธีอย่างไรให้คนมีงานทำ มีวิธีอย่างไรที่จะให้คนมีงานทำก <c oughs> ็ช่วยกันคิดก็คิดกันอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จการ <c oughs> การเอาของไปแจกแจกเท่าไหร่ก็เหมือนหายไปในบ่อลึกแจกเท่าไหรก่ก็ทำให้คนรู้สึกว่าบางทีคนคอยจะรับของแจกก็ ไม่อยากจะทำอะไรก็มีสุภาษิต ท, ที่พูดกันอยู่เสมอผมก็พูดบ่อยเหมือนกันที่ว่าสอนให้เขาหาปลากินเองดีกว่าเอาปลาไปแจกแต่ถ้าเราเอาปลาไปแจกก็แจกกันอยู่เรื่อยไปผลก็คือคนนั่นจ ะ, จะหาปลากินเองไม่ได้ไม่ได้สักที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 อย่างหน้าหนาวทางไปสารพักเหนือก็หนาวมากคนก็ยากจนบางส่วนก็ยากจนไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็เอาไปแจกไปก่อน